ก็สำหรับเที่ยว น, นี้พุณเจ้ามารวมด้วยเราก็จะได้ฟังตั้งแต่แรก น, นนะฉันเอาคนที่อยู่ก่อนเก่าเนาะดันชันนวนชัยคุณเจ้าสองรูปนี่เนาะมาด้วยกันเนาะผ้าใหม่สองรูปนะทใหมว่ากันทีหลังฮนะใหม่นะบทใหม่นะเพิ่งมาเข้าคอดนี้นะ งั้นเราก็ฟังจากาจารย์ประชันก่อนนะงบนเราเรื่องการอารมณ์ปัจจุบั น, นยอยู่เป็นอย่างไรเข้าใจอะไรกับาวถวายความเคารพพระนส่งทุกลุกนะครับขอความเจริญธรรมความเจริญในธรรมมีแต่ญาติโยมทุกท่านสำหรับตัวกับผมเองมาที่ก็เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่สิบสองเมื่อเดือนที่แล้ว ก็เป็นระยะเวลา20กว่าวันสำหรับการฝึกการปฏิบัติมามาวันแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ในการฝึกชัดนะแต่อาศัยความเพียรในการฝึกการปฏิบัติอาศัยทำทำทำไม่ค่อยได้หยุดนะครับก็ทาใหม่ๆก็เหมือนเป็นการฝืนสักหน่อยแต่พอเริ่มได้อารมณ์ เบาขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็จากความรู้สึกเริ่มได้ก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าจะทำง่ายขึ้นแต่สำหรับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังเผอในในการขยับขยื่อนอิเิยาบ ท, ที่เป็นอิเิยาบทย่อยยังดูยังไม่ค่อยชัดเจนยังมีเผอตรงนี้อีกเยอะ เขาบอกได้อารมณ์ตรงนี้ผมเห็นชัดก็คือว่าในเรื่องของถ้าเปรียบเทียบตอนที่เราไม่ได้มาฝึกคือเราไม่เข้าใจคำ ว, ว่าการฝึกการปฏิบัติแล้วทำให้เราเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นคือมีมีความรู้สึกตัวที่ชัดขึ้นแต่คำ ว, ว่าอารมณ์นี่คือความรู้สึกเบาหรือว่าอะไรมันเป็นไปเองคือมันเกิดขึ้นเอง เกิดขึ้นจากการที่เรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นพอช่วงช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าจะสะติสติจะอยู่กับตัวมากขึ้นเวลาออกจากการเดินจงกรมหรือว่าอะไรจะรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกเหมือนกับว่าการเดินจงกรมหรือว่าจะเดินไปไหนมาไหนเหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆว่า มันก็ไม่เชิงเราเราเดินยุงกรมอยู่ก็เหมือนกับว่าเราเดินปกติแต่เวลาเราเดินไปไหนมามาไหนปกติก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเราเดินจงกรมมันมันคล้ายๆเริ่มเริ่มเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนจะเป็นชีวิตจิตใจของเราเวลาความคิดเข้าความคิดออกตรงนี้ยังมีเป็นบางครั้งครับที่ที่ความคิดซ้อนเข้ามาความคิดแรกเราไม่เห็นเรามาเห็นความคิดที่สอง นี่คือที่สังเกต ด, ดูแต่มันจะสั้นลงความคิดจะเริ่มสั้นลงเป็นบางช่วงที่มันเกิดจิตที่ว่างไม่มีความคิดอะไรมันก็นิ่งๆเฉยๆแต่ก็มีความรู้สึกตัวอยู่ครับขณะที่จะไปห้องนะ้ำมันจะมีจิตแว บ, บหนึ่งคิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ดูก่อนว่าความอยากในการที่จะไปคืออยากไปไหมหรือว่าคิดแล้วไปเลยก็ดูสักพักเนี่ยครับ ออถ้าถ้าคำนึงคำนวณใช่ครับเป็นสังขารครับแต่ตอนแว็บแรกที่คิดขึ้นมานี่เป็นด้วยระบบร่างกายด้วยที่ที่มีที่ระบบร่างกายต้องการจากปวดปล่อยแล้วก็จิตใจที่นึกขึ้นมาแว็บแรกอ๋อสิ่งสิ่งนี้สำหรับผมเองเกิดถ้าได้ยินเฉยเฉยถ้าถ้าไม่เข้าไปปรุงแต่งมันก็จะไม่ไม่ไม่เข้าไปในความคิดนั้นเกิดถ้า ได้ยินเสียงอะไรเข้ามาปุ๊บเกิดเกิดเข้าไปปรุงแต่งมันมันจะกลายเป็นการปรุงแต่งทันทีครับสรุปที่กล่ามาว่าคําว่าได้อารมณ์มันมีสองลักษณะหนึ่งได้อารมณ์ปฏิบัติไปยาวได้อารมณ์สบายๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นความคิดเข้าออกหรือความคิดเข้าอย่างไรออกอย่างไร และความคิดประเภทไหนมันเป็นอย่างไรนี่เราไม่ชัดเจนเรื่องเรื่องของความคิดแต่เป็นความรู้สึกเบาสบายรู้สึกตัวที่เฉยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ปิติปิติที่เป็นสมถะอยู่แต่บางครั้งเดินไปเดินมาโดยที่มันไม่มีเรื่องเบาสบายอะไรแต่มันเห็นความคิดได้ชัดความคิดเข้ามาเรื่องนั้นเรื่นเข้ามาเห็นชัดตามรู้ประดับไปหรือความคิดมันจะออกไปคิดเรื่องน่นนนี้ ตามรู้อยู่มันก็ดับไปนะค่อยดูการเข้ามาค่อยไปชัดแต่ความคิดอีกประเภทหนึ่งเช่นว่าเราอยากไปเข้าห้องน้ําจะไปหนักหรือไปเบาก็ตามอ่ะเราก็มาดูความรู้สึกของเรามีความจําเป็นไหมจําเป็นหนักต้องรีบไปไหมหรือไม่ต้องรีบไปการตรวจสอบดูอย่างนี้ความคิดประเภทนี้เราไม่เรียกว่าสังขารแล้วว่าสติสัมปชัญญะที่จะต้องตรวจสอบ ถึงภาวะขณะที่เกิดขึ้นความคิดในขณะที่เกิดขึ้นมีสภาวะมีความรู้สึกที่เป็นจริงประกอบอยู่ตรงนี้เป็นสติซึ่งมันจะต้องคนทุกๆคนต้องมีจะไปกินน้ำจะไปอาบน้ำจะเข้าห้องน้าห้องส้วมไปหนักไปเบาเมันก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันเท่ส่วนเราจะไปอย่างไรนะแต่ถ้าสมมุติเราคิด อยากจะไปโดยที่ไม่มีความกระตุ้นเตือนทางร่างกายว่าต้องหนักต้องเบาแต่อยากจะไปเฉยๆแต่ไม่รู้ไปทาไมลักษณะนี้เป็นสังขารนะและความคิดอีกประเภทหนึ่งเช่นตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับรูปเสียงจิตรสัมผัสผ่านเข้ามาแว บ, บหนึ่งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ผ่านไปความคิดนี้ไม่ใช่สังขารและไม่ใช่สติแต่มันเป็นธรรมารุมนะเพราะฉะนั้นลักษณะของความคิดมีสองสามประเภทนี้แล้วก็ให้ชัดลงไป เพราะนั้นเราปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเ อ, เอาเอาอารมณ์ปิติแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความรู้สึกกับความคิดเนี่ยชัดเจนเท่านั้นนะเพราะว่าตัวความคิดเข้าออกหรือชัดไม่ชัดอะไรต่างเนี่ยมันเป็นลักษณะของไตลักษที่ทํางานอยู่เพราะวิวปัสนาเนี่ยเอาไตรักเป็นอารมณ์ไม่ได้เ อ, เอาความสงบเป็นอารมณ์ หมายความว่าเราตามดูไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดิไปในในในกายในใจของเราเท่านั้นนะนะไม่ได้มุ่งมาให้จิตสงบไม่ได้มุ่งให้จิตมันจะคิดหรือไม่คิดแต่เราให้รู้สึกให้ชัดชัดร่างกายก็ให้รู้สึกชัดเราเรียกว่าตัวรู้นะนะั่นนหะตัวรู้เอาตัวรู้เป็นอารมณนะ์เพราะฉะนั้นตัวนี้จึง แยกให้ออกว่าบางทีเราปฏิบัติครั้งใดอู้รู้สึกได้อารมณ์ดีแต่พอมีอะไรลมมากระทบก็ไปกับมันแล้วเป็นสมถะอยู่แต่ถ้าสมมุติเราพยายามแยกให้เห็นชัดเจนอย่างนี้อ่าเรียกว่าพื้นฐานรูปนามชัดล ะ, ะแยกหารูปในสิ่งที่เป็นความคิดออกไปและสิ่งความรู้สึกผู้รู้เนี่ยออกมาส่วนหนึ่งเรามาอยู่ความรู้สึกตัวความคิดเข้าออกเคยเห็นชัด หรือบางทีนั่งอยู่ น, นานๆปวดขาแล้วก็เห็นการปวดขาแยกออกว่าเราเป็นผู้รู้การปวดขาอย่างเงีางแยกเราแยกรูปแยกนามแยกว่าความปวดนั้นเป็นรูปผู้ผู้รู้ว่าปวดปนี่เป็นนามทั้งนั้นเมื่อก่อนนี้ถ้าถ้าไม่ได้อารมณ์รูปนามเราเห็นว่าเรากับการปวดขาเป็นคนเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันแต่พอมาเห็นแยกรูปแยกนามว่าเราเออออาการปวดคืออาการปวดเราเป็นผู้ดูอยู่ เราก็ไม่ไปสําคัญเอาความปวดขานเป็นเดาแต่เราเห็นอาการปวดขานเป็นอาการอันหนึ่งตามกฎของใจรักอันนี้ลักษณะของว่าอารมณ์สมถะเป็นอยู่ประมาณนี้นะอ่าหลวงพ่อวันใช้ว่าไงขอนอบน้อมในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและขอโอกาสกลับรับราชการหลวงพ่อขอ จเจริญสุขสวัสดีท่าญาติโยมทั้งหลายครับผมมานี่ก็หลายวันครับรู้สึกว่ามารู้สึกว่ามาช่วงนี้รู้สึกว่ามีอารมณ์ตรกงแต่งหน่อยครับ <c oughs> เพราะว่าได้มารับสภาวะที่เป็นห้าทีมประมาณนั้ น, นครับก็เลยคิด พงแต่งหน่อยว่าจะเอาวันนั้นอันนี้เอาบทอะไรอะไรพวกนี้ครับอะไรรู้สึกว่าจะนี่หน่อยบางทีโยมจุกเรื่องน้ําเรื่องอะไรว่าไม่ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยนิ่งผว่านี่หน่อยพอรู้สึกไม่ค่อยเต็มที่เต็มที่เท่าไหร่ครับแต่รู้สึกว่าอาช่วงในจะมาเจอพระใหม่ต้องรับปร ะ, ะ่าฝึกไอ้เป็นคู่ในมัง รู้สึกว่าอารมณ์ตอนนี้รู้สึกว่าก็พึ่งได้สองวันนี้ครับดีไ ด, ด, ด้เต็มที่หน่อยครับเพราะว่าได้อยู่คนเดียวรู้สึกว่ามันโล่งโปร่งสบายบางครั้งเหมือนครับว่าไม่มีความคิดอะไรมาเหมือนไม่มีความคิดอะไรเลยครับฮมันก็รู้รู้สึกว่ามันไม่เที่ยงครับบางบางทีก็มาอยู่ครับแต่ว่ามันแห่งห่างครับ วันที่22ครับผมก็เบจนกว่าครับครับเมื่อกี้มาลงกี่ครั้งคก็ผมว่าจะเข้าสองอาทิตย์พอดีโยมแม่ไม่ให้เข้าครับพอดีไปนู่นครับผมเป็นภรรยเอยต้องต้องรับภรรษ น, นี่ผมก็เข้าไปได้สามหรือสี่หรือห้าวัตนี้แล้วครับเพิ่งออกมานะครับ ยังไม่ได้เก็บอารมณ์ก็ยังไม่มีอารมณ์สูงก็ต้องเปลี่ยนกันอันประชันต่าไปท่านประชันก็ดูแลข้างนอกวันชัยเก็บอารมณ์บ้างนะก็คมจริงแล้วเราเป็นพระมาะอยู่วัดเนี่ยตามสมัยที่ ม, มาในช่วงแรกๆที่มาอยู่ก็คือในสิบห้าวันสองวันพระแล้วก็ปลัดกันเขาเก็บอารมณ์สิบห้าวัน คนที่ออกจากอารมณ์แล้วก็ไปทำงานดูแลนา้าดูแลไฟทงความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูทำกิจวัตรทำวัดเช้าเย็นอะไรพวกนี้ก็เป็นพระกลุ่มที่อยู่ข้างนอกพอได้สิบห้าวันก็พัดพระที่กลุ่มอยู่ข้างนอกเข้าก็า เ, าเก็บอารมณ์ก็อย่างนี้ก็รู้สึกว่าได้อารมณ์ผู้ที่ได้อารมณ์ออกมาก็ทำงานดีก็ไม่ไม่มีความวุ่นวายในใจเพราะอารมณ์กาลังดีอยู่ แต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ข้างนอกสักพักอารมณ์กาลังวุ่นวายเข้าเก็บอารมณ์ต่อมันก็มีกําลังในการที่จะเห็นคู่ต่อสู้ว่าอารมณ์ที่มันกาลังพลุกพร่านมีแรงต่างก็มีการสร้างกําลังสติสมัญญาขึ้นมาเพื่อจัดการอารมณ์นั้นๆก็พออารมณ์สงบก็ได้เข้าใจสภาวะธรรมต่างๆ ส่วนพวกคุณเจ้าเราเดินทางมาที่นี่ประมาณสักเดือนกว่าแล้วเนะาะพอปฏิบัติที่นี่แล้วเข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรได้บ้างครับท่านก่อนในวิธีการขึ้นไหวแบบเแบบนี้เนี่ยการเดินจุกุมสร้างจังหวะเราจะควรจะทําตอนไหนการสร้างจังหวะนี้สําหรับคนที่ปฏิบัติมาเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ย ให้นั่งปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดินเดินนี่สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้อารมณ์อะไรคือคือมันคือปรับฐานที่จิตของเราที่มาอารมณ์มันวิ่งว่อนมันหยาบหยาบอยู่เนี่ยให้ใช้อีเดียบทเดินเพราะเดินนี่มันสบายแต่มันมันเพลินง่ายเดินเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นอีบทที่เบาสบายคือการเดินดัง น, นั้นในวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่ต้องการสบายและไม่ต้องการสงบ แต่เราต้องการการตื่นรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่การนั่งเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเดี๋ยวปวดมาเดี๋ยวเมื่อยมาเดี๋ยวเบื่อมาโดยสิงมาเดี๋ยวง่วงมาเดี๋ยวฟุ้งมามันถึงได้เกลีแก้ปัญหาเรื่อยๆทั้งรูปทั้งนามมันก็จะเห็นสภาวะได้เร็วการที่เราได้ปรับแก้ปัญหาบ่อยๆมันเกิดเป็นตัวตื่นรู้ ทีนี้ในท่าทีของการแก้ปัญหาแต่ละครั้งสมมติเรานั่งเงี้ยนานเรารู้สึกปวดขานี่ไอการที่จะพลิกถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้ตามรู้อย่างงเพอพลิกกระป๊อปไปเลยนะแต่สำหรับคนที่ตั้งใจที่จะตามรู้ดังนั้นสำหรับผู้ผู้ตั้งใจปฏิบัติที่จะให้ตัวตนรู้คแค่แขงพยายามใช้อริ บ, บทท่านั่งนานๆหน่อย เดินเนี่ยมาเคยเดินมาแล้วตลอดทั้งคืนก็เดินได้แต่มันไม่ได้เพลินได้ปีติพอหลังจากสมาธิปีติมันหมดแล้วก็หมดเลยมันไม่ลึกมันไม่แน่นเหมือนกันนั่งนั้นการนั่งสร้างจังหวะเราจะเห็นปัญหาในตัวที่เวทนาต่างๆนะโดยเฉพาะในตัวเวทนาที่เราตามรู้บ่อยๆเนะี่ยมันจะมีสามระดับใช่ไมนั่งไปนานๆพิกครั้งหนึ่ง ไอ้ตัวรู้สึกหยาบยาบหนักๆลถหายไปเราก็มารู้สึกสบายพอรู้สึกสบายสักพักมันก็เริ่มหยาบเป็นกลางแล้วก็หนักแล้วก็ปรับเข้าปรับออกอยู่เนี้ยแต่ว่า ห, หลังทา น, นข้าวแล้วเนี่ยนั่งนานไม่ค่อยดีเพราะมันง่วงง่ายสำหรับผู้ใหม่แต่สำหรับหลังทานข้าวหรือในช่วงเสี่ยงต่อการง่วงนิวรเนี่ยใช้เดินสักพักนึง พอให้ความตื่นตัวเกิดขึ้นพอให้อาหารมันย่อยนะที่ในกรณีที่เราปฏิบัติอย่างเนี้ยส่วนใหญ่มันสิวิล้อมมันบังคับนะบังคับว่าเออถ้าเรานั่งนานอยู่มันกวนแมงมันกวนแล้วก็เดินนะเดินเดือดขาแข็งนะแต่ว่าประโยชน์ได้ไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับนั่งนั่งจะได้มากกว่าแต่นั่งไม่อยากให้นั่งเก้าอี้ถ้านั่งเก้าอี้มันจะเพลินเพราะมันสบาย นะแต่นั่งในพื้นนะ่ะปูกับพื้นเพราะฉะ น, นั้นเวลานั่งอนะ่ะมาจะให้เปลี่ยนนะตั้งแต่เอาในอิบทดหนึ่งพเพียบพับเพียบซ้ายก่อนหรือพับเพียบขวาก่อนก็ได้ในช่วงที่เรานั่งพับเพียบเนี่ยมันก็จะเห็นว่าบางคนไม่ถนัดในการนั่งพับเพียบซ้ายแต่ถนัดพับเพียบขวาถ้านั่งพับเพียบขวานั่งได้นานพับเพียบซ้ายนั่งได้ไม่นานนะ เราก็จะเห็นพระเพียบซ้ายอาจจะได้นั่งพระเพียบขวาเราถนัดห้านาทีพระเพียบซ้ายอาจจะได้อสามนาทีเป็นนาทีในใจของเรานะเราก็จะเห็นปัญหาแล้วปัญหาเราก็ปรับแก้ในการเคลื่อนไหวแต่ละอิริบุตรมันมีอะไรมีมีที่ไปที่มาแต่ตลอดชีวิตของเราคือการเคลื่อนไหวแบบความเคยชินแบบสัญชาติยานแต่พอเรามาปรับ นั่งนานๆโดยใช้สติสมัมปชัญญะเนี่ยเราจะไม่เคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีการเข้าไปรับรู้ของสติสมัมปชัญญะคือไม่เข้าไปตามรู้ให้ชัดเจอยก่อนพยายามตรงนี้เพราะนั้นในการนั่งเนี่ยมันจึงมีความรู้สึกหลายระดับให้เราได้ตามรู้แต่เดินเนี่ยมันอยู่ระดับเดียวนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรอ่าเปความเพลิน แล้การเดินไปนี่บทที่สบายถ้าเปรียบเทียบนั้นเวลาไปจากข้อนำมาจะให้ทําทั้งยืนเดินนั่งนอนดูว่าเราได้เห็นระหว่างดูระหว่ังยืนนะเดินนั่งนอนนี่บทไหนเบาที่สุดที่บทไหนหนักที่สุดให้เขาเห็นชัดชัดเบาเรารู้สึกยังไงหนักรู้สึกยังไงแล้วอีบทไหนเป็นกลางนะถ้าหากว่าเราไม่ละเอียดขนาดนั้นนะเราทําไปทั้งปีทั้งชามันก็จะวนอยู่ในความรู้สึกเดิม พอปฏิบัติไยงานนี้จบอาได้ปิติได้อารมณ์จบไปเที่ยวหน้ามาเอาเดินปฏิบัติเอาได้ปิติได้อารมณ์จบไปเวียนอยู่งนะั้นปีหนึ่งได้อารมณ์สิบครัง้งย0บครั้งแต่จิตไม่เปลี่ยนจิตไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นปิติเฉยๆเพราะปิติของสมถะได้แต่ความสงบแต่ถ้าหากว่าเราฝึกในการนั่งนานๆแล้วเพราะตัวตัวรู้เนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา นะแต่ตัวสุขตัวทุกข์ตัวเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นอารมณ์ของสมร t h ทั้งสองอย่างต้องทําไปพร้อมกันเพราะว่าอารมณ์คือความคิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาแต่ความรู้สึกทางกายเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาแล้วนั่งเนี่ยไม่หนักก็เบวบไม่บวบก็หนักอย่างเรานั่งอยนีท่านี้นานๆถ้านั่งนานๆแช่แล้วเพลินไม่ดีเพราะอะไรบางบางครั้งเนี่ยเราทนกับท่านั่งจนชินพอชินแล้วก็นั่งได้นานเป็นชัว่วโมงไม่ยอมเปลี่ยนก็มี อันนี้ก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะพุทิยานบอกให้ละนันทิมันเพลินในสุขเพลินในสบายก็มีเพลินในไม่สบายก็มีถ้าเพลินในสบายก็ขอให้เกิดความห่วงสั่งสมสบายเกิดขึ้ถ้าเพลินในความไม่สบาย่อให้เกิดความฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าหากว่าเราเพลินทั้งสองอย่างทั้งสบายและไม่สบายเราก็ไม่ได้ตามรู้ มันก่อให้เกิดตัวโมหะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนแต่ครั้งเนี่ยไอายการขยับเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขยับเคลื่อนออกไปอะไรเกิดขึ้นความเบาเกิดขึ้นยังไงแล้วคนหนักหายไปไหนไอาการตามสังเกตชัดชัดเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเยียบบทมันมีผลต่อคือจิตของเราเนี่ยมันไปรับรู้การสบายไม่สบายแล้วมันก็ซึมซับรับรู้การที่จิตของเราไปซึมซับรับรู้ตัวหนักเ บ, เบาเกิดขึ้นแต่ละขณะ น, นั้น มันก็เกิดเป็นองค์ของความรู้ของของจิตแต่ถ้าเราพลิกแต่ละครั้งไม่ได้ไปตามรู้อะไรชัดเจนเนี่ยมันก็เกิดเป็นความเคยชินเรียกเป็นโมหะเป็นอวิชชาก็เลวจะเรียกแต่เราเรียกว่าความเคยชินเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเพราะนั้นเวลาเราสวดสติปัฏฐานเนี่ยขัชชนตัวขัชฌามิติปชาาติคาว่าปชาาติเนี่ยเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดชัดแต่คาว่ารู้ชัดเมือหมายถึงเพ่งนะ มันคนรู้ชัดจ้องที่จะรู้เลยมันเป็นไงแต่รู้ชัดชัดหมเยขอการสังเกตรู้เท่าที่รู้ได้วนั้นในอริบทนั่งเนี่ยเรามีหนึ่งอิริบทภาพเทียบซ้ายหมายถึงเอาขวา อ, อันนี้ภับเพียบขวาภาพบางนี้เป็นภาพเทียบซ้ายหนึ่งภาพเพียบขวาสองภาพเพียบซ้า ย, ย, า ส, ย, ายสามนั่งขับซ้นสี่นั่งคุกเขา่าห้านั่งชันเขา่าหกนั่งขาสมาัด ชั้นเดียวเจ็ดขาจมาสองชั้นถ้าคุณไหนขาดีได้แปดขาจมาสามชั้นได้ด้วยเก้านั่งเหยียดขาสิบมานั่งเก้าอี้สิบเอ็ดยืนทาเพราะนั้นในช่วงอิทธิบทย่อย ม, นะมันได้ถึงสิบเอ็ดนะมันได้ถึงสิตในสมัยที่มาเก็บอารมณ์และได้อารมณ์ครั้งแรกที่สุดมาใช้ลำดับอย่างเงี้ยลำดับไปลำดับไปเรื่อยๆปรากฏว่า มันนั่งชุดเดียวได้ถึงสองชั่วโมงแล้วก็ปรับไปกลับไปกลับมาอย่นั้นมันก็ได้อารมณ์เป็นชุดเป็นชุดไปเห็นการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ของของจิตชัดเจนนะเพราะฉะนั้นการเก็บอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นอารมณ์เป็นชัดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะเราก็อยู่เนื่องจากเราอยู่กับความเคยชินมาตลอดชีวิตตั้งแต่เราเกิดจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับความเคยชินมาตลอด แต่ถ้าเรามาเจริญสติสัมมญญาชน ya แล้วต้องเปลี่ยนความเคยชินให้เป็นความรู้สึกตัวให้ให้ได้ให้ชัดบางไม่ใช่ว่าบางครั้งชัดบางครั้งไม่ชัดแต่ให้มันชัดเป็นส่วนใหญ่อย่างน้อยคนได้อารมณ์รูปนามเนี่ยต้องเห็นอารมณ์ชัดเจนในในรูปในนามเนี่ยถึง2 5่น์ขึ้นไปพอได้สักยีความชัดที่กลายมาเป็นตัวรู้เนี่ยมันจะเห็นความคิดเข้าออกชัด มันจะแยกความรู้สึกของเจ็บของปวดของสบายไม่สบายออกชัดการแยกถ้าความรู้สึกปวดขาเนี่ยมันเป็นรูปใช่ไหมคืออาการปวดเป็นเรื่องด้วยรูปเรารู้ว่าขาเนี่ยเป็นรูปแต่เราดูที่อาการของรูปไม่ใช่ดูอาการของขาอาการของขาอาการของรูปมันเป็นยังไงหนักหรือเบาถ้าเรานั่งไปนานมันหนักใช่ไหมถ้าเราพลิกเป็นไงเบา พอพรขยับจาไกไว้สักพักมาเริ่มไหมก็เริ่มหนักขึ้นเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการหนักกันบ่อยชัดๆประชานาติไม่ได้การนั่งนิสิณโนวาีิสุนนมหิติประชารู้ขณะนั่งก็ให้รู้นั่งชัดๆว่านั่งอะไรกำเกิดขึ้นแต่รู้นั่งชัดไจะเพ่งการนั่งนิ่งอยู่นันเป็นนั่งแบบสมถะพอสมถะมันมีสองแบบสมถะที่นอกพุทธศาสนาและสมถะใน พุทธศาสนาที่เอื้อต่อ ว, วิปัสสนาคืออาการที่เกิดการรูปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเราเห็นมันชัดชัดเนี่ยเป็นสมถะที่หนุนวิปัสสนาต้องมีเพราะนั้นเราไปตําหนิสมถะไม่ได้สมถะมนมีสองแบบแต่สมถะแบบที่ไปเพ่งให้มันนิ่งมันจับมันจะปวดท่านก็อยู่อย่างนั้นมันจะสบายท่านก็เพ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ละสมถะแบบนั้นไม่มีผลต่อ ว, วิปัสสนาเพราะไปบังคับให้จิตสงบ นนั้นเวลาให้เก็กบบลลุมเอามาจะให้นั่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต่อไปเอาเปลี่ยนเป็นยืนยืนทาเดินการเดินก็เหมือนกันนะไม่ใช่เดินจำเอาจำเอาแล้วก็ดูจังหวะการเดินเดินยังไงให้มันรู้สึกพอดีอะนะไม่จะเร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเวลาเดินเหยียบ เท้าเท้าเหยียบพื้นรู้สึกเป็นไงหนักเวลายกขึ้นเป็นไงหนักหายไปเวลาเหยียบลงเบาเวลาขณะย่างไปเบาเหยียบลงหนักเวลาหนักลงไปแล้วความรู้สึกหนักมันมันตึงไปถึงไหนของขาเคยสังเกตไหมคือถ้าเราจำเอาจำเอามันก็ตึงไปเรื่อยๆนะมันก็ทำให้ก็ได้อยู่ก็ได้ปวดขานั่นแหละนานๆไปเพ่งปวดขาจนหาย นั่งไปนานๆก็เพ่งอาการปวดจนหายได้เหมือนกันมีลักษณะที่เอาอาการหายมาเป็นได้อารมณ์มันไม่ใช่นั้นเขาเรียกกันเพ่งจนหายมันไม่ใช่มันไม่ใช่อารมณ์ของกรรมฐานเพราะในร่างกายเนี่ยมันมีโมฟีนของมันชนิดหนึ่งเขาเรียกอินโดฟีนชนิดหนึ่งเมื่อจิตไปตั้งอยู่ในนานๆแล้วมันเพ่งอยู่นานๆมันก็ไอไอโกนอนโดฟีนมันหลังพอมันหลังมันก็ทําให้สบายไปพักหนึ่ง พอขี่เฟื้นจางไปมันก็กลับมาใหม่มันไม่ใช่อารมณ์กรรมาฐานเดินไปจนได้ตัวเบาเพราะกดอันนั้นมันหลังนะเป็นเรื่องของสมถะแบบนั้นแต่สมถะในวิปัสสนาคือเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการของกายเกิดขึ้นของหนักเกิดขึ้นของเบาเกิดขึ้นของการปวดขาสบายขามันเกิดขึ้นอย่างไรเวลาเปลี่ยนแล้วอาการหนักดับไปอย่างไรเวลานั่งไปสักพักอาการเบาหายไปการหนักปรากฏอีก หรือหน้าอากาศร้อนนะเราอับอ้าวแล้วก็หาทางบําบัดอาการปวดขาเบาขาเมื่อยขาหรือหนักตัวเบ า, าหนักตะโพกเบาหนักเอวหนักหลังเนี่ยเราขยับปรับเปลี่ยนมันก็หายแต่บางวันอากาศช่วงบ่ายมันอับอ้าวมันพลิกไปยังไงมันก็ไม่หายมันก็่ ย, ยังอับอ้าวอยู่ใช่ไหมทีนี้เราจะทํำไงกับมันก็ให้รู้อาการ เมือนอาการร้อนอา่อางเป็นอาการที่อาการที่หยาบและหนักทีนั้นเราก็ปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาให้สบายเดินสบายผ่อนคลายสบายปรับให้มันเบาลงได้ในอาการที่เราเดินหมุดเดียวตลอดเดียวตลอดนี้มันทาอาการที่เล่าร้อนในร่างกายเนี่ยก็ยังคงอยู่น ะ, ะนั้นในอาการของตัวรู้สึกหนักรู้สึกปานกลางและรู้สึกเบา เราก็สมมุติด้ว่าอาการที่มันหยาบมันกลางมันละเอียดก็ได้เพราะฉะนั้นอาการของกายเนี่ยเราเรียกเวิธนาอาการของกายเรียกเวทนาอาการของจิตเรียกว่าอารมณ์นะเพราะฉะนั้นในช่วงปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องดูตรงนี้ให้เป็นก่อนแล้วอารมณ์รูปนาะมมันจะชัดแต่เราปฏิบัติมั่วๆไปแต่ละวัน เราจะเดินทางร้อยกิโลมันก็วนอยู่แค่5กิโลเนี่ยปฏิบัติทั้งปีมันก็ไม่ไปไหนวนอยู่5กิโลเนี่ยแต่แต่ละวันเราได้สํารวจตรวจสอบอารมณ์ของเราไปาคือไม่ได้เพ่งให้สงบนะแต่ต้องการตื่นรู้อย่างต่อเนื่องการรู้สึกตัวตื่นรู้ให้เห็นอะไรชัดไม่ชัดไม่ต้องไปมุ่งให้ได้ปิติไม่ได้ต้องเบาหรอกแต่เรื่องของวิปัสนาไม่ใช่เรื่องอารมณ์ได้อารมณ์สงบหรือไม่สงบเบาหรือหนักนะแต่ต้องการให้รู้ชัดๆว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป นะแต่ถ้าเราลงอยู่ในอาการติดหนักติดเบาติดสงบติดสบายไม่สบายมันก็วนอยู่ในแค่สมถะแต่เราต้องการที่จะมาดูตัวการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดที่เรียกว่าตัววิปัสนามีอาการมีไตรักเป็นอารมณ์มีการรู้ไตรักเป็นอารมณ์คือหมายเห็ น, นการเปลี่ยนแปลงหนักเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันสบายมันสบายเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวของกายเป็นหลักไว้ก่อน แต่ถ้าเราปรับความรู้สึกหนักเบาสบายไม่สบายทางกายไม่พอดีเนี่ยมันก็จะไปก่อเป็นอาการของจิตเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะอันนี้คืออย่างที่พระคุณเจ้าว่ามันมันก็วนอยู่ในนี้ก็พยายามต่อเนึ่งให้นานๆอย่าเดินเยอะแต่พยายามนั่งแต่นั่งก็ไม่สนุนที่นนั่งเก้าอี้หรือนั่งย่อนขานานเกินไปรหมดเพลินวุฒิยาบอกให้ละนันทีเพราะนันที น, นที่มันเป็นสาเหตุที้เกิด น่วรละกิเลส ท, ทุกตัวมันต้องผ่านนันทิ้ยก่อนจากลำดับว่าความสบายกายถ้าเราไปไม่ตามรู้ความสบายมันก็ก่อให้เกิดความสบายใจความสบายใจเรียกว่าสโสมนัสสาวิทาความสบายใจเราไม่ตามกำหนดรู้มันอีกความสบายใจก็จะแปลไปติดใจแลว้วกนะ็อาภิชาอาภิชาเราไม่ได้กำหนดรู้เป็นนันทิ นันที่ตัวนี้มันไมเป็นราคะไปตามระดับขึ้นมาเลยนะมันก็เติบโตไปจากความรู้สึกสบายกายธรรมดาเนี่ยแต่เราไม่ได้ตามรู้มันชัดๆไม่มีประชานาติไม่มีความรู้สึกชัดแล้วพอไปขั้นดูให้ละเอียดลงไปเนี่ยพอไปขั้นของจิตเนี่ยใช้แต่รู้ชัดอีู่เดียวไม่พอแล้วใช้รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะเราใช้สัมปชานูสติมาใช้สองตัวเนี่ยรู้ชัดกายเรียกว่าสติรู้ชัดใจเรียกว่าสัมปชัญญะ เพนั้นเวลาเราสวดอาตาปีสัมปชานุสติมาใช่ไหมเขารู้ให้ชัดชัดรู้ชัดใจรู้ให้ทั่วตัวทั่วพร้อมเรามันจะไปเห็นใจได้ชัดนะเพรนั้นในจุดนี้ถ้าอยากจะได้อารมณ์ในด้านรูปนามให้ชัดต้องนั่งมหา ก, กว่าเดินถ้าเดินนี่ก็จะวนอยู่อย่างนะนั้นนะก็ติดแค่แค่นั้นเพราะคุณเจ้าลุงนู่นเป็นไงครับมาด้วยกันใช่ไหมครับเขาเป็นไงบ้างครับอารมณ์ท่กนที่ประเดี๋ยวมาได้ต่อเนื่อง เอาเหรือเอาที่มาด้วยกันอีกทุมาอยู่นู้นน่ะอ๋ะอพูนจเจ้าลราให้ฟังหน่อยเป็นไงมาได้กียาทิติ์แล้วเรื่องอารมณ์ปฏิบัติทางวิธีการสายนี้เรจะเข้าใจได้ไหม